แสดงธรรมสู่กันฟังขอใชยทีนี้ให้เป็นการแสดงธรรมพูดควาจริงต่อกันอย่าได้ทำมาดื่นเลยหลวงตาไปงานต่างๆสี่วันห้าวันไม่มีโอกาสแสดงธรรมเลยทำแบบอันดื่นเป็นพิธีกรรมไปบางงานเนี่ยลงทุนเป็นสิบล้านขึ้นไปแต่ว่าเป็นพิธีไปซะ ไปเสร็จหลวงพัชยศักดิ์ของท่านเจ้าคุณเมืองเล ย, ยางา น, นใหญ่โตเฉพาะของถวายพระเนี่ยแต่นอกก็ไม่ต่ํากว่าสองล้านบาทพระแต่รูปก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าสองหมื่นบาทการงานดังเื่นมากมายพระไปร่วมงานก็ไม่ต่ําต่อสามสี่ร้อยลูปผู้คนไปก็ไม่ต่ากว่าพันสองพันคนช่วงเที่ยกัน ใหญ่โตแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสจแสดงธรรมและไม่มีใครจะแสดงธรรมไม่แต่พิธีสาสนพิธีกันนั่นจึงใช่ที่นี่แหละเป็นที่แสดงธรรมที่อื่นก็ไม่เหมาะที่นี่เหมาะที่สุดเลยล้วก็ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นท่านที่มาที่นี่ก็ให้มีโอกาสได้ฟังธรรมกันอยากได้ทำมาดืน่นและมีโกาสศึกษา มองดูความถูกต้องของทั้งหมดที่นี่เขาเจริญสติกันแต่เจริญสติการมีสตินี่มันไม่ให้ค่าเลยรถ้าเป็นสติจริงๆไม่ให้ค่าเลยเลยความหลงก็ไม่มีค่ากกความรูก้ก็ไม่มีค่ามันก็รู้ซื่อๆหลงซื่อๆธรรมดาความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขก็ไม่มีค่ามันสุขเฉยๆมันทุกข์เฉยๆ มันไม่ใช่เรื่องของเราที่ไปเกี่ยวข้องกันเป็นความสุขควาทุกข์แต่ความสุขความทุกข์กนั้นเรามารู้เฉยเฉยสติจะเป็นเช่นนั้นเป็นตัวเฉลยคือเข้าถึงภาวะกวงรู้ซื่อๆอย่างเนี้แล้วก็ว่าศึกษาภาวะอย่างนี้ลองดูในโลกนี้มันมีรสชาติมันมีค่ามากวันดีก็เงินก็มีค่าได้มีเงินก็มีค่าเป็นความสุขก็ไม่มีเงินก็เป็นค่าเป็นความทุกข์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 เรา่ม่าต้องไปถามผู้ใดเราถูกหลอกหลายครั้งหลายคราวให้เป็นสุขเราถูกหลอกหลายครั้งหลายคราวให้เป็นทุกข์ทั้งๆนี่มันเป็นฉะนั้นเราไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเรยจะมาลู้ซื่อๆเนียให้มันลบศูนย์ซะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เหลือศูนย์ไม่มีค่าสำหรับเราเลยในโลกนี้แต่ก็ใช่สมมติบัญญัต ต้องพูดว่าสุขว่าทุกเป็นสมุทติปัญญามาพูดกันถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่พิแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะอะไรเพราะมาเห็นซื่อๆเนี่ยก็ไมาจริงไปอย่างนั้นไม่ใช่เราไปเอาความทุกขไม่ใช่ไปเอาความสุขแล้วหนีความทุกข์เมื่อมีสุขมีทุกข์เมื่อมีสุขอยู่ก็มีทุกข์อยู่เมื่อมีทุกข์ก็มีสุขอยู่ว่าเลยมีค่าเป็นบวกเป็นลบ ชีวิตเรามันเป็นชีวิตที่บวกที่ลบอยู่ตลอดเวลาให้มันเหลือศูนย์มาก็ไม่มีอะไรที่ไปบวกไปลบอีกเราจะมามีสติดูให้ดีๆหน้าหัวเราะมานะ่ะโลกเนี่ยว่าเราชนานาญตรงนี้แล้วน่ะแล้วก็เหนือเกิดแจ็เจ็บตายได้ถ้าไม่ชํานาญตรงนี้ไม่หลีกทางตรงนี้แล้วมันเข้าไปชนกับผมแจ็ความเจ็บความตายเป็นพวกเป็นชาติ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 ก็มีหลับอยู่แล้วได้ยินมานานแล้วกายก็ศสกดิว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาก็อบอกอยู่พุทธเจ้าบอกว่านาะนนะาเวทนาที่เป็นสสมเป็นทุกข็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่มันเป็นใหญ่เป็นโตสําเร็จแล้วที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหนา้ามันก็เคือว่าจิตไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาถ้าตรงที่มันสําเร็จ ที่เป็นสมมติปัญญยัดมันไม่ใช่จัตุรุกนต์ตัวเราถ้าเป็นปรมัตาจาจย์มันไม่เป็นเลยมันเป็นชื่อชื่อของเขาก็ทั้งธรรมที่เป็นอสุขเป็นทุกข์เป็นความสงบความุคงสานเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นอกุศลเป็นความงู้มันก็เป็นธรรมธรรมดาเฉยๆมันไม่ใช่เป็นจริงจังอะไรแล้วก็เห็นซะถ้ามันหลุดออกไปซะ เมื่อหลุดตรงนี้เชื่โซ่ตรงนี้ไขกุญแจตรงนี้มันก็ไปได้ไปสู่ความไม่เกิดไม่เจ็บไม่เหยียบไม่ตายได้เราจึงอาศัยสถานทีน่นี้มาพูดเราเนี่มาทำมาศึกษาดูเราเด่นท่านทั้งหลายดูมากแล้วจะเป็นอาชีพการงานหน้าที่รอบพอทัวหรือปากกาปากเดียวไปหางานทำก็ได้หรือไม่ต้องถืออะไรเหมือนลงตาไปอยู่ สโรนด์เมริกาเขาไม่ได้หอบพิโวลยไปบ้านเขาก็ไม่มีเขาไม่เอาบางทีพ่อแม่มอบบ้านให้สมมัติไทยให้เขาขอแยเอาคนไทยที่เป็นหมอไปอยู่ที่นั่นวัดท่านะเอาทรัพย์สมบัติมากมายไปให้ลูกลูกวันเรียนลูมาลูยความลูไม่แม่เอาเลยเลยซื้อกระห اد ใหญ่ๆหลายหลังให้คนหลังมาเช่า กเจ็บเงินเจ็บทองก็เงินได้ทองอลูกมันมีความรู้แล้วไม่เอาอะไรมันว่ามันขี้เกียรเสียภาษีเขาเดินไปตัวเป่าสามารถอยู่โลก ไ, ไหนก็ได้เขามีความรู้เขาเขเลยไม่กลัวไม่ต้องมีบ้านอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความรู้อ่นมันถึงขนาดต้นแล้วนะคนนะ่ะมีแล้วคนที่พอตัวได้ลักษณะแบบนี้ไม่ลํำบาก เพราะอะไรเพราะมีการศึกษาหลักสูตรสาเร็จสูงสุดในโลกนี้บางคนมีประกาปากเดียวบางคนมีกางเกอันเดียวหาชินตลอดชีวิตตัดเสื้อผ้าไม่ต้องมีอะไรทุกวั น, นีนมันพัฒนาไปแบบนั้นแต่ว่ายังมีทุกไหมมีสุขไหมเขาปล่อยควาหาความสุขเขาหนีความทุกข์อะไที่เขามองว่าเป็นทุก เขาก็หนีเขาหนีไปเรื่อยๆไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายจะหนีไปยังไงมานี่ยมันก็จนตรงนั้นเองมันปิดประตูตรงนั้นออกไปได้แม่เขามีความรู้มากมายเขาออกตรนั้นมาได้เป็นศัจจธรรมที่ตรงนั้นเขาไม่รู้วันเราลูกวันนี้มันหลงก็หลงซื่อๆมันลูกก็ลูกซื่อๆวันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อๆ มันทุกข์ก็สุขซื่อๆเขา่อซื้อๆหรือว่า ไ, ไม่ค่องแวะแล้วมันสุขมันก็ไม่ซื่อแล้วถ้ามันทุกข์ก็ไม่ซื้อแล้วมันค่องแวะไปเกาะอยู่กับความสุขค่องแวะไปเกาะอยู่กับความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเรามาเห็นมาดูจริงๆดูซิมาดูจริ ง, ๆ, รงๆให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเรานี่ยแล้วมันก็มาอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราะ พอมีสติมันก็เห็นทันทีแหละมันฉายออกมาให้เราเห็นอันหลงมันรู้มันผิดมันถูกเอา้าเราก็รู้ซื่อๆไปก็แต่ตั้งให้ถูกให้เกิดความถูกต้องอยู่โดยชอบอันอยู่โดยชอบคือรู้ซื่อๆพิสูจทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอราหันเลยถ้าอยู่ไม่ชอบแม้จะอยู่กับพระเจ้าก็ไม่มีอ ร, ราหันเสร็จสิ้นนะ คืออยู่เราชอบคือลู่ซื่อๆไปตู้ซื้อๆไปกนี่ง่ายแล้ยนะอ๋อง่ายอันง่ายเป็นก็พูดคำว่าซื่อๆมันง่ายดีแต่ว่ามันไม่ซื่อเออวันทุกข์ก็เอาแสดงออกเวลาวันศุกก็แสดงออกลองให้มันเหนือสักหน่อยดยมามีสติซื้อๆยกมือลู่ซื้อๆไปขี้ยาขี้ลู่ซื่อๆ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 มำไมไม่ให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมากับตัวเองมาจจะไม่เนิ่นช้ามันไม่มีอะไรที่ทำไม่มีอะไรที่จะหาไม่มีอะไรที่ตอบคำพูดก็ไม่มีมันก็รู้ซื่อๆแล้วอวะซื่อแล้วเพราะนั้นจงมาฟังแล้วนี่กันมาทำแล้วนี่กันอย่าให้ที่นี่ไปทามันอื่นหลงตาไปสี่วันไม่ได้อยู่นี่ ไม่ได้เข้าถึงภาวะซื่อๆเลยทุกคนก็เอ้าหมุนติ้วำำเวน่าดาความเคียดเพื่อจะเอาเรื่องโดยธรรงนี้บางคนต้องวิ่งเอาทำงานทํารตสอนรลบผู้คนตั้งหลายบางคนมาตั้งโรงทานเป็นละล้อยลงมาจากต่างประเทศก็มีเพราะอาจารย์เจ้าคนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมะ แต่คนก็มาช่วยให้ออกนีจากธรรมะไปร่านลองทานน่แะแวแจะจะกินอะไรติดป้ายขึ้นไปลองทานบริษัทนั่นลองทานธนาคารนี่ลองทานที่โน่นที่ตั้งขึ้นมาวินทร บ, บาทก็ใส่รถเขียนมาเป็นหลายพันตันวินทร บ, บาทอเทวบาทแค่นี้ไปถึงสลาหน้าเนียถ่ายบาทสี่ครั้งอาหารการนกิน แล้วก็จ be so ินแค่อิ่งแล้วคนก็ไปทำชั่ชนมากมายมันก็เลยเสียเลาไปว่าเราจะมาศึกษาแบบซื่อๆเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องกูดีกู้โจร้องอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อยู่ที่ไหนก็ซื่อๆได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเพราะว่าซื่อๆก็ได้ากไปที่พูดอย่างนี้ หลวงตาเขาพเล่นไปเฉยๆนี่แหละเอา mm. ก็เล่นๆนั่นแหละของไม่มีค่าไปทำจริงกันมาเขาเล่นๆไปหัวะลรามันไปมันก็ไม่มีอะไรเดีย๋ยวนี้มันมีค่ากายก็มีค่าเวทนาก็มีค่าจิตก็มีค่าให้ค่าอะไรทุกอย่างจงงดมันหยัดขึ้นมาโก้ขึ้นมาให้ค่าเป็นอย่างนั้นข้าจะไปช่วยกันแต่พวกเราวันนี้ก็มี พวกศิลปินคณะศิลปินมาที่นี่อีกทุ่มหนึ่งหลวงตาก็จะไปครบกับคณะนี้ประมาณสี่สิบคนที่ศาลาหน้าก็มาคิดช่วยกันอันหลายหลายอย่างที่เราจะช่วยกันให้มันเข้าหาพระวะิชื้วันยังจะอยู่โลดโลกงดงป่าไม้ร้องให้แม่น้ำร้องป่วย เนดินเป็นอมพาดอากาศเป็ิดเพราะมันไม่ซื่ อ, อมันก็ก็ะจายไปทั่วเลยเดื อ, อดร้อนไปทั่วทันที่ป่าไม้ก็เป็นป่าไม้เขาก็รองให้ซะไปป่าเผาคนําลาย่น้ําลงป่วยที่จะเป็นแม่น้ําซื้ อ, อแม่น้ําก็ต้องใช้น้ําอาบเป็นกินได้ไดื่มได้บริสุทธิ์ช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์ น, นี้ก็ป่วยทีแล้วเน่าไปแล้วเพราะไม่มีคนใช้น้ำไมใ่ใช่ซื่อ เืออะไรเยอะแยะอ่ามันก็เลยเป็นโทษจะมาช่วยกันให้มันเข้าสู่ภาวะซื่อชีวิตเราถ้ามีคนซื่อแล้วมันไปใช้อะไรก็ถูกต้องไม่เป็นอื่นไปเป็นป่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นอากาศไปในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันซื้อแล้วก็ไม่ยากอะไรรัดเนี้ยมือเดียวไ ง, ไง่ายอ๋อไอ้แต่นี้มันยากเป็นไปนะแล้วก็ต้องอาใจ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 สวยเอวงามเอายี่ห้อไปซะไม่ชื่อเสือเป็นจบบนั้นโลกนี